แต่ถ้าว่าผู้ที่เข้าไปเสียดเสียดแต่ถอยกลับคืนมาได้ยังไม่ถึงจุดจบก็ขยันแต่ไม่รู้จะทํำยังไงอีกแต่การเป็นอยู่ทุกวันก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเมื่อวานนี่กันทำอย่างนี้ไปบินทบาทแล้วก็มาฉันฉันแล้ววันพวกนี้มาก็จะไปอีกกลับมาอีกฉัน แล้วก่อนที่จะได้อยู่ได้ฉันที่จะได้ปัจจัยสี่ที่จะมาอยู่มาฉันมาบารุงร่างกายก็ไม่ใช่ได้ของมาได้แบบง่ายๆอีกหาไม่ถูกที่ถูกทางกระแทบล้มแทบตายก่อยที่จะได้ปัจจัยสี่มาบารุงร่างกายพิจารณาดูแล้วก็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 สิงห์หมาหรือสัตว์กินพวกเนื้อสัตว์กินแบบกัดกินเลยดูดูแล้วพวกเราเห็นก็ขยะขขยงพวกหมูกินอะไรสัตว์ต่างๆตรอดถึงกินของอาจมอะไรดูแล้วเราขยะขขยงแต่มนุษย์ของเรากินอาหารทานอาหารอรอร่อยอย่างพวกเราทานเนี่ย แต่พวกเทวดาอารักษ์ทางหลายเขามองเห็นมนุษย์ก็ว่าโอโ้มนุษย์เนี่หยาบมากกินกระทั่งเนื้อสัตว์อดูแล้วอรส์อร่อยกินอะไรก็ไมุษย์ส ก, กโกปลกเทวดาเขามองเห็นมนุษย์ก็เหมือนกับเรามองเห็นสัตว์ที่ไรฉานอย่างนั้นนะอมองลงไปเรื่อยๆมองลงทางต่ำอย่างนั้นะเทวดามองเห็นมนุษย์กับลักษณะเหมือนกับเรามองเห็นสัตว์อย่างนั้นะตอนนี้พรม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 ของท่านละเอียดกว่าเทวดาไม่ต้องลึกไม่ต้องคิดการสเสวยด้วยความอิ่มใจคือปีติสุขละเอียดอ่อนมากกว่าการเป็นเทวดาแต่ถ้าพาริยาเจ้าทั้งหลายท่านปล่อยวางทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านเป็นบรมสุขเหนือกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละถ้า เปรียบเทียบเป็นขั้นตอนลงมาลักษณะอย่างนั้นนะมนุษย์ของเรากับสัตวิที่ร้ชาเนี่ยมองเห็นกันได้ชัดอยู่ในภพภูมิในชั้นเดียวกันแต่ ว, ว่าการเป็นอยู่ทําไม อ, อแล้วมนุษย์เหมือนกันทําไมนี่แหละวิบากกรรมกลมจําแนกสัตว์ให้เกิดไปในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาให้รอบรู้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 สัจจะก็เป็นเลิศเออถ้าว่าเราทําอย่างนั้นได้แล้วเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอแล้วชีวิตของพวกเราจะราบรื่นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมนะเ อ, อ่อถ้าว่าเราประมาทเมื่อไหร่เออเราสัมรา เ, เทเมาเมื่อไหร่เราเที่ยวเตะเมื่อไหร่เออเราประมาทใช้สุรุชุไลเมื่อไหร่เราปล่อยวางตัวเมื่อไหร่เ อ, อ่อเราไม่มี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 ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนหรือท่านผู้ใดที่จะมาบันรนบรรดาให้เราถ้าเราทําชั่วอในวันนี้ไปตีหัวเข้าไปฆ่าเขาเข้าเขาก็จับเข้าคุกเดี่ยวนี้เลยแล้วงั้นะหลอถ้าเขาจับมาได้ก็วิ่งหัวสุกหัวสุนมางั้นแหละเนี่ยกรรมมคือการกระทําถ้าทําดีแล้วก่อนนะั่นแหะมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชาไปที่ไหนก็มีแต่คนยกย่องสรรเสริญเพราะตัวเองทําดีถ้าตัวเองทําชั่วแล้วกันหาความสุข